สมพานวัดป่ามะม่วงอธิษฐานจิตขอเดินและนั่งอย่างละสามชั่วโมงตามที่อาจารย์เขียนสั่งไว้จากนั้นจึงตั้งต้นเดินจงกรมอย่างตั้งใจว่าจะใช้สติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นต่อเนื่องกันตลอดหกชั่วโมงเดินได้เพียง3าก้าวก็พบกับอุปสรรคกองทับมดพากันขนอาหารเดินเรียงรายขวางทางเต็มไปหมด ท่านหยุดเดินด้วยเกรงจะไปเหยียบมันเข้าหลับตากำหนดยืนหนอห้าครั้งแล้วจึงอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าถือทุดงขวัตก็เพื่อต้องการขัดเกล่าด้วยสัจวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ขอรุกคาเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาป่าดงพญาเย็นจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วย และโปรดช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงให้บำราดไปณบัดนี้เทินครั้นสิ้นคำอธิษฐานจึงลืมตาการก็กลับปรากฏว่าไม่มีมดมาให้เห็นแม้ตัวเดียวช่างน่าอัศจรรย์นักเดินจงกรมจนครบตามเวลาที่ได้อธิษฐานจิตไว้แล้วภิกษุผู้ถือธุดงควัด จึงกำหนดนั่งเปลี่ยนจากการกำหนดอิริยาบถในการก้าวย่างมากำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยการบริกรรมพองหนอและยุบหนอเนื่องจากปฏิบัติมาจนช่ำชองจิตจึงตั้งมั่นอยู่ได้นานอาการพองยุบ ป, ปรากฏชัดเจนและต่อเนื่องไม่มีขาดช่วงเลยแม้แต่ครั้งเดียวจิตของท่านได้สัมผัสกับความสงบอันลึกซึง้ง ลึกซึ้งกว่าที่เคยได้สัมผัสในครั้งก่อนๆ ก, กระนั้นท่านก็รู้ว่ายังมีความสงบที่ประนีตและลึกซึ้งกว่าเป็นความสงบที่พระพุทธองค์ตรัสรับรองไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีท่านยังจะต้องใช้ความเพียรพยายามอีกเพื่อเข้าใหถึงความสงบนั้น อันเป็นยอดแห่งความสงบทั้งปวงเพระาะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากตันหาเครื่องร้อยรดยัดเวลาผ่านไปอีกสามชั่วโมงท่านพระครูจึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลจากนั้นจึงกำหนดลืมตาหลวงพ่อดำนั่งขัดสมาธิอุทิเดิมกลดและบาดถูกแขวนไว้ที่กิ่งไทร เหมือนเมื่อตอนเช้าสิ์ก้มลงกราบอาจารย์สามครั้งแล้วถามว่าลุงพ่อมานานแล้วหรือครับภิกษุรตัตนยูไม่ตอบหากถามว่าก่อนปฏิบัติของเธอเป็นอย่างไรมีสภาวะทำอะไรปรากฏบ้างผมได้สัมผัสกับความสงบอันลึกซึง้งแต่ก็รู้ว่ายังมีความสงบที่ลึกซึ้งกว่า ผมจะเข้าถึงความสงบนั้นไหมครับถามเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้นต้องได้สิลืมแล้วหรือพระพุทธองค์ตรัสสอนเกี่ยวกับความเพียรพยายามไว้ว่าอย่างไรตรัสสอนว่าวายเมเทวะปุริโสยาวัตถัสสัสนิปทาเป็นคนควรพยายามเรื่อยไป จนกว่าผลที่หมายจะสําเร็จผมก็เพียรพยายามอยู่นะครับตั้งแต่หลวงพ่อให้กรรมฐานผมเมื่อ20สิบปีก่อนผมก็พยายามปฏิบัติมาโดยตลอดเฉพาะยืนหนอที่หลวงพ่อสอนผมนั้นกว่าผมจะทำได้ต้องใช้เวลาถึงสิปีเชียวนะครับแล้วเป็นอย่างไรพอได้ยืนหนอแล้วเกิดอะไรขึ้น ผมก็สามารถตอบปริศนาธรรมของหลวงพ่อได้เพราะเข้าใจอย่างทะลุปรุโ ป, ปร่งปริศนาธรรมของหลวงพ่อลึกซึ้งมากคนที่ปฏิบัติได้เท่านั้นจึงจะตอบได้คนที่คุยโวโออวดว่าบรรลุธรรมขั้นโน้นขั้นนี้พอผมถามจนมุมทุกรายเลยครับตั้งแต่นั้นมาผมก็ใช้ปริศนาธรรมของหลวงพอ่อเป็นเกณฑ์ ในการสอบอารมณ์เพราะถ้าสอบอารมณ์ตามตำราคนที่ปฏิบัติไม่ได้แต่แอบท่องตำรามาตอบก็จะหลอกเราได้ผมจึงต้องใช้วิธีนี้ตรวจสอบคนที่บรรลุจริงเขาไม่คุยอวดกันหรอกจริงไหมจริงครับอย่างที่เขาพูดกันว่าคนรู้ไม่คุยคนคุยไม่รู้เอาละ เรารับรองว่าเธอจะต้องสำเร็จผลที่หมายในป่าแห่งนี้เพราะเราดูแล้วว่าเป็นที่สัปปายะต่อการบรรลุธรรมของเธอคนฟังแสนจจปิติรีบรับรองว่าครับผมก็ว่าอย่างนั้นเมื่อเช้าผมคิดว่าที่นี่ขาดสัปปายะข้อสองคือโคจรสัปปายะเพราะไม่มีหมู่บ้านที่จะไปบินทบาท แต่พอหลวงพ่อบอกให้ไปหาอาหารผมก็ได้ฉันอาหารทิพย์พอสมควรแก่อัตภาพก็คิดว่าคงจะพอประทังชีวิตไปได้แต่ก็ไม่ทราบว่าพรุ่งนี้จะมีให้ฉันอีกหรือไม่ท่านหมายถึงผลไม้สีแดงซึ่งมีอยู่ผลเดียวและท่านได้ฉันไปแล้ว พรุ่งนี้ยังไม่มาอย่าปรารมอย่าหวนหาอาดีตอย่าวาดหวังอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นนี่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูสิ่งที่เธอต้องใส่ใจให้มากคือความเพียรพยายามขอให้ระลึกนึกถึงพระพุทธวจนะที่ตรัสสอนไว้ว่าอ น, นิพพินทิยะการิสะสัมมัทัตโต วิปัสสติทำเรื่อยไปไม่ท้อถอยผลที่ประสงค์จะสำเร็จสมหมายไม่มีอะไรจะมาขัดขวางกีดกันความเพียรของมนุษย์ได้เธอเคยได้ยินได้ฟังเรื่องความเพียรพยายามของมนุษย์ที่มีในชาดกบ้างไหมคงไม่เคยนะเอาละ่ะเราจะเล่าให้ฟังท่านถามเองตอบเองเสร็จ จากนั้นจึงเริ่มต้นเล่ามีกษัตริย์สองเมืองจะทำสงครามกันฝ่ายหนึ่งไปถามพระฤาษีผู้มีฤทธิ์สามารถติดต่อกับพระอินได้พระอินแจ้งผ่านฤาษีมาว่าฝ่ายตนจะชนะจึงประมาทปล่อยเหล่าทหารสนุกสนานบันเทิงส่วนกษัตริย์ฝ่ายที่ทราบว่าตนจะแพ้ จึงยิ่งเตรียมการให้แข็งแรงขึ้นครั้นถึงเวลารบจริงฝ่ายที่พระอินทร์บอกจะชนะกลับแพ้เพราะมัวประมาทชล่าใจว่าตนจะชนะส่วนฝ่ายที่ได้รับการทํานายว่าจะแพ้กลับชนะฝ่ายแพ้จึงไปต่อว่าพระอินทร์ผ่านทางฤาษีผู้มีวฤทธิ์พระอินทร์ถูกต่อว่า จึงกล่าวเทวะคติออกมาดังนี้อันว่าความบากบันภาคเพียรของมนุษย์เทพทั้งหลายก็กรีดกันไม่ได้อาจารย์เล่าจบสิ์จึงพูดขึ้นว่าแม้เทวดาก็ยังเชื่อไม่ได้และแบบนี้จะไปเชื่อใครล่ะครับเป็นความเข้าใจผิดของมนุษย์ซึ่งพากันเชื่อว่า เทวดามีฤทธิ์มีอำนาจเหนือกว่ามนุษย์จึงพากันสยบให้เทวดาแต่ถ้ามนุษย์พัฒนาตนจนเข้าถึงความเป็นอิสระมนุษย์ก็ประเสริฐกว่าเทวดาเพราะสิ่งที่จะกำหนดว่าใครจะประเสริฐกว่าใครนั้นอยู่ที่คุณธรรมและความเพียรพยายามเธอลืมเสียแล้วหรือ เทวดาที่สิงสถิตอยู่ต้นพิกุลในวัดของเธอเขายังหลบหน้าหลบตาไม่มาปรากฏให้เธอเห็นทั้งนี้เพราะเขาละอายที่ไม่มีคุณธรรมคาธิริโอต ป, ปะอันเป็นเทวตาธรรมจึงละเมิดศีลข้อสามได้จำไว้ว่ามนุษย์ก็ตามเทวดาก็ตาม หากละเมิดศีลก็ถือว่าชั่วว่าเลวทั้งนั้นมนุษย์ที่มีศีลจึงประเสริฐกว่าเทวดาที่ทุศีลด้วยประการชนนี้แต่แม่ชีก้อนทองก็มีศีลทำไมเทวดาเขาไม่อายและยังมาชวนแม่ชีสวดมนต์ทุกคืนล่ะครับสิทธิ์แย้งนั่นเป็นความพินพยายามของเขา ในการสร้างความดีถึงแม้ว่าความดีกับความชั่วจะลบล้างกันไม่ได้แต่อำนาจของกุศลกรรมก็สามารถไปบัญทรวิบากกรรมให้เบาบางลงได้เหมือนเติมน้ำดีลงไปในน้ำเสียยิ่งเติมมากเท่าไหร่น้ำเสียก็จะเจือจางไปมากเท่านั้นแล้วหลวงพ่อคิดว่า ระหว่างมนุษย์กับเทวดาใครจะ <Toy. S 1> มีความเพียรพยายามมากกว่ากันครับก็มนุษย์สิเพราะมนุษย์มีความทุกมากกว่าเทวดาจึงเพียรพยายามที่จะออกจากทุกเป็นเทวดามีแต่สุขจึงประมาทมัวเมาไม่ปรารกความเพียรหากมองในแง่ความได้เปรียบเสียเปรียบบางอย่าง เทวดาดีกว่ามนุษย์แต่บางอย่างมนุษย์ก็ดีกว่าเทวดาในคำพีพระไตรปิฎกท่านเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์ชาวชมพูทวีปกับเทพชั้นดาวดึงว่าเทพชั้นดาวดึงเหนือกว่ามนุษย์สมอย่างคือมีอายุทิพยิผิวพันทิพย์และความสุขทิพย์แต่มนุษย์ชาวชมพูทวีป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 เขาถือกันว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นสุขติของพวกเขาดังมีพุทธพจน์ยืนยันว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นมนุษย์นี่แลนับว่าเป็นการไปสุขติของเทพทั้งหลายดังนั้นเมื่อเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งจะจุดติเพื่อนเทพเชาวสวรรค์จะพากันอวยพรว่าให้ไปเกิดในสุขติ คือไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะโลกมนุษย์เป็นถินที่มีโอกาสเลือกประกอบกุศลกรรมทำความดีงามต่างๆและประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่การเกิดเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวท่านถือว่าเป็นการเสียหรือพลาดโอกาสอย่างหนึง่งในการที่จะได้ประพฤติพรหมจรรย์เรียกว่าเป็นโชคไม่ดี วกชาวสวรรค์มีแต่ความสุขชวนให้เกิดความประมาทมัวเมาสติไม่มั่นส่วนโลกมนุษย์มีสุขบ้างทุกบ้างเค้าระคนปนกันมีประสบการณ์หลากหลายเป็นบทเรียนได้มากเมื่อรู้จักกำหนดก็จะทำให้ได้เรียนรู้ช่วยให้สติเจริญว่องไวทำงานได้ดีเกื้อกูลแก่การฝึกตน และการที่จะก้าวหน้าในการบรรลุธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่าที่ฟังมานี่เธอสรุปได้หรื อ, อยังว่าเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าเทวดาหรือว่าเกิดเป็นเทวดาดีกว่ามนุษย์ถ้าให้ผมสรุปผมก็ว่าเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าเป็นเทวดาแต่ถ้าให้คนอื่นสรุปเขาอาจบอกว่าเกิดเป็นเทวดาดีกว่า เพราะคนส่วนมากเขาต้องการความสุขไม่ต้องการบรรลุธรรมหรอกครับหลวงพ่อสิทธิ์เริ่มเล่นคำทำสำนวนทว่าอาจารย์กลับไม่สนใจนั่นเป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาของพวกเขามากกว่าต่อเมื่อใดที่เขาเข้าถึงความจริงว่าความสุขนั้นแปรเปลี่ยนไม่จิวรังยั่งยืนเขาก็จะหันมาประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้นที่เที่ยงแท้คือนิพพานสุขไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายวกวนอยู่ในสังสารสารวัตรอีกต่อไปแต่ก็นั่นแหละการจะเข้าถึงนิพพานสุขก็ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆคนทั้งหลายก็เลยยึดความสุขเฉพาะหน้าไว้ก่อนยกเว้นคนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะมองเห็นว่า ความสุขที่แท้จริงคือการชำระกิเลสมิใช่เพิ่มพูนกิเลสนิ่งกันไปครู่หนึ่งสิทธิ์จึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับพุทธว จ, จนะที่หลวงพ่ออัญเชิญมาทำให้ผมระลึกนึกถึงอดีตครั้งอย่างเป็นเด็กครับเราอัญเชิญมาว่าอย่างไร อาจารย์ทดสอบความจำสิทธิอณิพินธิยการิตะสัมมทัตโตวิปัจจติทมเรื่อยไปไม่ท้อถอยผลที่ประสงค์จะสำเร็จสมหมายนะครับแล้วทำให้เธอนึกถึงอดีตอย่างไรคือทำให้ผมนึกถึงน้ำย้อยบอกตานครับ ทำเรื่อยไปไม่ท้อถอยก็เหมือนที่คนเขาเอากระบอกไม้ไผ่ไปแขวนไว้บนยอดตาลให้น้ําตาลหยดลงกระบอกทีละหยดทีละหยดในที่สุดก็เต็มกระบอกได้จึงเกิดสํา น, นวนว่าทําทีละน้อยเหมือนน้ําย้อยบอกตาลซึ่งเปรียบเหมือนการสร้างบารมีสร้างไว้เรื่อยเรื่อยบ่อยๆ่สักวันหนึ่ง บารมีก็เต็มได้ไม่เร็วขนาดนั้นหรอกแค่วันเดียวจะเต็มได้อย่างไรไม่ใช่น้ำย้อยบอกตาล น, นี่นะคราวนี้อาจารย์เล่นสำนวนบ้างก็ผมไม่ได้บอกว่าวันเดียวนี่ครับสิทธงนทำไมจะไม่ได้บอกก็เธอบอกอยูุย ก, ยกว่าสักวันหนึ่ง วันหนึ่งก็แปลว่าวันเดียวน่ะสิอาจารย์ฉเฉลยสิทธึงกล่าวแก้ว่าวันหนึ่งในที่นี้ผมหมายถึงระยะเวลาอันยาวนานหลายกับหลายกันต่างหากล่ะครับถ้าอย่างนั้นก็พอฟังขึ้นเธอรู้ไหมพระพุทธองค์ท่านทรงบำเพ็ญบรมีนานเพียงใดกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สีอสงไขยําไรแสนกับครับทั้งนานหรือเกินแต่ถ้าเทียบกับพระโพธิสัตว์อีกสองประเภทพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นพระโพทธทิสัตว์ที่ใช้เวลาบาเพ็ญบรมีสั้นที่สุดพระโพทธทิสัตว์มีสามประเภทหรือครับถูกแล้วพระพุทธเจ้าของเราทรงจัดอยู่ในประเภท พระปัญญาโพธิกะโพธิสัตว์คือพระโพทธิสัตว์ที่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยพระปัญญาอันยิ่งใหญ่แล้วอีกสองประเภทละครับอีกสองประเภทได้แก่พระศรัทธาธิกะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่พระโพธิสัตว์ประเภทนี้ทรงใช้เวลา ในการบำเพ็ญบรารมีแอสงไขยกำไรแสนกับส่วนพระวิรยิยะทิกะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตย์ที่สาเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยความเพียรอันยิ่งใหญ่ทรงใช้เวลาในการบำเพ็ญบรารมี 16. อสงไขยกำไรแสนกับหากเรียงตามระยะเวลาในการบำเพ็ญบรารมีจากมากไปหาน้อย พระวิรยิยะธิกะโพธิสัตว์โก็จะเป็นประเภทที่1พระสัทธาธิกโพธิสัตว์เป็นประเภทที่สองและปัญญาธิกะโพธิสัตว์เป็นประเภทที่สแล้วพระศรีอริยะเมตไตรซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตจัดเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทใดครับ ประเภทที่หนึ่งคือพระวิริยาธิกะโพทิสัตว์เพราะพระองค์จะต้องบำเพ็ญบารมีนานถึง16อสงไขกับอีกแสนกับจึงเรียกว่า16อสงไข่กำไรแสนกับหนึ่งอสงไขนานเท่าไรครับสิทธามอีกนานมากมากจนนับไม่ถวน เท่ากับโกรธยกกำลัง20สหนึ่งโกรธเท่ากับส0บล้านเธอลองคูณออกมาสิส0บล้านคูณกัน20ิครั้งได้เท่าไหร่ผมตกคณิตศาสตร์ครับแต่ถึงคนเก่งคณิตศาสตร์ก็คูณออกมาไม่ได้เพราะมันมากจนนับไม่ท่วนสแสดงว่าระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าของเราทรงใช้ในการบำเพ็ญบารมี ยาวนานมากจนนับไม่ท้วนถึงสี่ครั้งแล้วยังพ่วงอีกแสนกับขนาดนั้นก็ยังน้อยกว่าพระโพธิสัตว์สองประเภทแรกแล้วกับหนึ่งเท่าใดครับท่านให้เข้าใจด้วยว่าอุปมาว่าเปรียบเหมือนมีภูเขาศิลาล้วนกว้างยาวสูงด้านละหนึ่งโยต์ทุกร้อยปี มีคนนำผ้าเนื้อละเอียดอย่างดีมาลูกครั้งหนึ่งจนกว่าภูเขานั้นจะสึกร้อไปแต่กับหนึ่งยาวนานกว่านั้นช่างนานเหลือเกินนะครับนานจนผมฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยที่พูดกันว่าตกนรกชั่วกับชั่วกันก็เท่ากับต้องทนทุกทรมานนานมากน่าสงสารคนที่ทําความชั่วนะครับ เกิดไปตกนรกอยู่หนึ่งกับก็นานจนลืมไปเลยผมเห็นจะต้องเร่งทำความเพียรแล้วล่ะครับเพราะไม่อยากตกนรกนึกถึงตอนเป็นเด็กผมสร้างวีรกรรมไว้มากเหลือกเกินหลวงพ่อทราบไหมครับว่าทำไมผมถึงเข้าใจสำนวนที่ว่าทำทีละน้อยเหมือนน้ำย้อยบอกตาลเธอคงมีประสบการณ์กระมัง อาจารย์คาดคเนถูกต้องครับผมนี่แหละนักสะสมประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ที่ผมรู้ว่าน้ำย้อยบอกตาลเป็นอย่างไรเพราะผมมีประสบการณ์ตรงตอนเรียนอยู่ชั้นปสี่ผมเห็นพวกผู้ใหญ่เขาหิ้วกระบอกไม้ไผ่ปีนขึ้นไปแขวนไว้บนยอดตาลในตอนเย็นพอรุ่งเช้าเขาก็ไปเอาลงมา มีน้ำตาลเต็มกระบอกเลยผมก็เกิดความคิดขึ้นมาได้อย่างหนึ่งรุ่งอีกวันผมก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่แอบปีนขึ้นไปขโมยกระบอกไม้ไผ่ลงมาพอรุ่งเช้าเจ้าของเขาจะไปเอาน้ำตาลก็ไม่มีแล้วเรื่องสมองใสในการสร้างบาปไม่มีใครเกินผมนี่ถ้าไม่มาบวชผมเห็นจะตกนรกแน่นอน แต่บางคนถึงบวชก็ยังตกนรกนะเพราะบวชแล้วก็ยังก่อกรรมทําชั่วเป็นพระตกนรกง่ายกว่าครหอัดเซออีกบางคนเข้าใจผิดว่าบวชแล้วจะได้บุญคิดเพียงว่าโกนหัวห่มผ้าเหลืองก็ได้บุญแล้วที่จริงไม่ใช่แค่นั้นยังเข้าใจกันผิดๆอีกมากผมว่าชาวพุทธเรา ยังต้องศึกษาอีกมากนะครับต้องทำความเข้าใจในศาสนาที่ตนนับถืออย่าว่าแต่ชาวบ้านไม่รู้ศาสนาเลยครับแม้แต่พระซึ่งอยู่กับศาสนาแทๆ้ๆบางครั้งท่านก็ไม่รู้แล้วก็ทำในสิ่งที่ผิดต่อพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัตินั่นเป็นเรื่องอันตรายมากเพราะถ้าชาวพุทธไม่รู้ ไม่ศึกษาศาสนาให้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วภายหลังเกิดมีผู้ไม่หวังดีมาบิดเบือนหลักธรรมคำสอนชาวพุทธก็จะไม่สามารถปกป้องพระศาสนาของตนไว้ได้ศาสนาที่บริสุทธิ์ก็จะกลายเป็นศาสนาปฏิรูปพระแท้ก็จะค่อยๆลดจำนวนลงอลัทธีมีมากขึ้น การที่เธอออกธุดงในครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อจะรับภาระอันยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าคือการปกป้องพระศาสนาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดังเดิมเป็นหน้าที่ที่เธอจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับหลวงพ่อผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม ภิกษุวัย45พูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ